2. อปุจชักขิกะว่าหมวดป้าด้วยการหัวเราะสิขาบทที่ 1. เรื่องพระชัพพัคี 586. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตะวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุจชัพพัคีหัวเราะดังไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ 1. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่หัวเราะดังไปในละแวกบ้าน เรื่องพระชับพรคีจบทศขาบทวิพังภิกษุไม่พึงหัวเราะดังไปนระแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อหัวเราะดังไปนระแวกบ้านต้องอบัตทุกกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข่ห้าภิกษุเพียงยิ้มแย้มเมื่อมีเรื่องขบขัน6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง เจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่หนึ่งจบ